ผู้ไม่ประมาทระวังในการกระทํากรรมอา น, นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอนัตตาความไม่เป็นไปตามปรารถนาต้องการนี้คือไตร ล, ลักษณะสาม ที่มีในทุกคนทุกสิ่งความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์เหล่านี้ตั้งอยู่ในตรัยลักษ์ทั้งสิ้นดังนั้นแม้ว่าชาติหนึ่งกรรมไม่ดีจะแต่งให้เป็นสัตว์ก็มิใช่ว่าจะต้องเป็นสัตว์ทุกชาติและแม้ว่าชาติหนึ่งกรรมดีจะนาให้เป็นมนุษย์ก็มิใช่ว่า จะได้เป็นมนุษย์ทุกชาตินั่นก็คือสัตว์ย่อมเป็นคนได้และคนก็ย่อมเป็นสัตว์ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนแต่ละสัตว์ผู้ไม่ประมาท ร, ระวังในการกระทำกรรมย่อมสามารถพ้นจากการถือภพชาติอันไม่ปรารถนาได้ ผู้ไม่ประมาทพึงทำใจให้พ้นจากความยึดมัน่นกรรมที่อาจทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งหรือทำสัตว์ในชาติหนึ่งให้กลับเป็นมนุษย์ในอีกชาติหนึ่งมีผู้เขียนบ้างเล่าบ้างไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องที่มีปรากฏในพุทธการจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม พึงไม่ประมาทกรรมใดที่เคยมีแสดงไว้ว่าทำให้มนุษย์ต้องเกิดเป็นสัตว์เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่พึงทำกรรมสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกรรมทางใจคือความผูกพันผู้ตายมีความผูกพันในภพภูมิของตนเช่นผูกพันในทรัพย์สมบัติของตนในภพภูมินั้น ความผูกพันยึดมั่นอาจนำให้กลับมาเกิดในบ้านเรือนของตนอีกได้แต่จะไม่ใช่เป็นมนุษย์มีเรื่องเล่าว่าเกิดเป็นเลนก็มีเกิดเป็นสุนัข ก, ก็มีซึ่งน่าจะไม่มีผู้ใดปรารถนาจะเป็นจึงน่าจะต้องระวังกรรมทางใจให้มากเช่นเดียวกับกรรมทางกายทางวาจาอย่ายึดมั่นห่วงใยในอะไรให้มากนัก วางเสียปล่อยเสียท่องพุทธโธไว้เสมอนั่นแหละจะทำให้ถอนใจจากความยึดมั่นได้เคยมีผู้เล่าเรื่องเจ้าของพระพุทธรูปงดงามองค์หนึ่งสิ้นชีวิตไปในขณะที่จิตใจกําลังรักและหวงแหนพระพุทธรูปองค์นั้นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้มาขอชมพระพุทธรูปก็มีงูใหญ่เลือ้อยมาแผ่พังพาน ขู่อยู่ต่อหน้าแสดงความหวงแหนเมื่อผู้มาขอชมพูดว่าเพียงมาขอชมไม่ได้คิดจะนำไปเป็นของตนงูก็เลื้อยห่างไปว่ากันว่าเจ้าของพระพุทธรูปได้มาเกิดเป็นงูเสียแล้วเพราะความผูกพันหวงแหนพระพุทธรูปความยึดมั่นผูกพันจึงเป็นกรรมทางใจ ที่น่าจะเป็นเหตุแห่งการทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งจึงไม่พึงประมาทจะจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าประมาทไว้ก่อนพยายามทํากรรมทางใจให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้เต็มความสามารถเถิด